ขอให้หรือว่าเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะมองกันในแง่ที่ว่าเป็นธรรมสากัดฉาก็ได้หรือว่าจะเป็นปุจฉาวิสัชนาก็ได้แล้วแต่จะเรียกข้อนั้นไม่สำคัญข้อสำคัญก็คือให้สำเร็จประโยชน์ ในการที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวอันนี้ดังนั้นจะเป็นธรรมสากัะชาหรือเป็นกุจลชาวิจัชนาก็ย่อมจะเป็นอย่างที่เรียกว่าเอตมังทะละมุตตมังคือเป็นมงคลสูงสุดโดยเท่ากันแต่ว่าอาจรมาอยากจะท่อมความเข้าใจหรือตระเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลาย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 อยากเป็นพุทธบริศาสตร์ไหมเข้างงพอถามว่าอยากเป็นพุทธมามกกากะไหมใครอยากเป็นพุทธมามกกากะยกมือบางคนหน้าซีดสีบรู้สึกววากลัวพอถามว่าใครอยากเป็นแฟนพพุเจ้าไหมยกมือสะลอนผมครับผมครับเต็มไปหมดเนี่ยขอยเข้าใจว่าคำพูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่อง เ, อเล็กน้อยเลย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 เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในกรณีที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาขอฝากว่าเป็นข้อตังเกตเกี่ยวกับคำคำนี้ด้วยที่ี้าจะมองกันในอีกแง่หนึ่งจะเรียกว่าเป็นการถามตอบเพื่อความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายอย่างที่เรียกกันว่าแบบสกาวาทีบระวาที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 ข้อความที่ลึกซึ้งให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งจนกลายเป็นของง่ายตามแบบที่เรียกทีวัดว่าตักกวาทีประวาทีแต่แล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นไปจากการช่วยกันเอทาความเข้าใจให้แก่กันและกันในระหว่างพุทธบริษัทที่จะอาข้อนี้มากล่าว <c oughs> ก็เพื่อว่าเราจะได้คิดถึงข้อนี้แล้วปรับปรุง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 พยายามที่จะเป็นเหมือนกับหนังหนังที่หนาหรือแห้งที่สุดเช่นหนังแรดหรือหนังช่างที่หนาและที่แห้งที่สุดเพื่อว่าการหั่นนั้นจะไดเ้เป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนและได้ผลต่างกันก็นที่ว่าจะเป็นตะไคร้ต่อตะไคร้และตัดกันนี่ อานิสงส์ของการที่จะคุยกันอย่างแฟนของพุทธบริษัทหรืออย่างประวาทีสกวาทีหรือย่อมเป็นอย่างนี้ที่เราจะควรคิดดูต่อไปว่าในที่ประชุมเช่นประชุมสภาเขามอีออาการอย่างนี้หรือเปล่าทําไมเร า, เราจึงได้ยินได้ฟังว่าเขาทะเลาะวิวาดกันเขาขว้างปากัน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 ตลอดการเป็นนิตนั่นจะต้องมีการประชุมเพื่อช่วยกันทำประโยชน์แก่าศาสนาจนสำเร็จที่นีข้อที่อยากจะปรับความเข้าใจต่อไปก็คือว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวหรืออยากเพิ่รู้สึกกลัว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 มุ่งหมายจะให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะต่อโลกคือไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกนั่นเองท่านอย่าได้นึกเป็นห่วงแไ่ว่าจะมีการชวนให้สละละทิ้งอะไรบางอย่างที่ที่ยังรักใคร่พวงแหนอยู่ดังนั้นมันจึงไม่มีอาการเหมือนกับที่ว่าจะจูงท่านทั้งหลายไปสู่ที่ที่ไม่พึงปรารถนาะ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 นึกหวาดวันว่ามีแต่จะเป็นไะทางที่ขัดขวางต่อความประสงค์ของตัวหรือความชอบใจของตัวเป็นต้นเป็นอันว่าไม่มีแต่ที่อย่างนั้นก็จะต้องเข้าใจเช่นด้วยว่าต้องไม่เป็นการฆ่ากำไรแเกินควรด้วยที่ ว, ว่าเรื่องทำบุญนิดหนึ่งแล้วไปสวรรค์ได้วิมาณมากมายอย่างนี้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 หรือการบรรยายธรรมะนี่จะต้องเป็นไปเพื่อปรกเตรียมให้เราพร้อมที่จะเข้าถึงสภาพหรือสถานะอันหนึ่งซึ่งเหมาะสมที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่มีอย่างอื่นมากไปกว่านั้นนี่เป็นขอ้ออารมปรารกข้อแรกที่จะทำความเข้าใจ เพื่อว่ามีสิ่งใดบกคร่องอยู่ก็จะได้ช่วยกันนึกคิดแก้ไขให้ดีที่สุดในฐานะที่มีความรับผิดชอบอร่วมกันที <c oughs> นี้ก็มาถึงคาว่าอาสาละหะหรืออาสาละหะบูชาซึ่งได้แก่วันวันนี้นักธรรมาขอเอาคำนี้มากล่าวก็ด้วยเหตุที่ว่ามันมีความสําคัญเกี่ยวข้องกันอยู่บ้าง ก็มีวันสําคัญอยู่สามวันคือวันวิสาวันมาคบูชาวิสาคบูชาและอาสาละบูชาวันวิสาขคบูชานั้นอย่างไรเสียก็ต้องถือว่าเป็นวันที่รลลึกแก่พระพุทธเจ้าคือเป็นวันพระพุทธเจ้าหรือวันของพระพุทธเจ้าจนวันมาคบูชานั้นมีปัญหาแต่ถ้าดูโดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่แล้วเป็นวันพระอรหันต์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 และยิ่งกว่านั้นก็มีความหมายเป็นไปในธรรนองเหมือนกับว่าประกาศอาณาจักรอันใหม่อันใดอันหนึ่งออกมาข้าสัญชีฐิาจารย์จึงได้ขนานนามพระธรรมเทศนานั้นว่าธรรมจักรกับประวัติศาสตร์ราก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศอาณาจักรธรรมะของท่านขึ้น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 นี่คือคําปรารบทั่วไปแ่ของอาตามามีข้อชวนให้คิดเห็นเป็นประการใดหรือจะทําความเข้าใจให้ละเอียดออกไปอีกอย่างไรก็เชิญท่านอาจารย์ครึ่งฤทธิ์ปราโมทและท่านอาจารย์อื่นๆนี่ยช่วยอภิปรายหรือช่วยทำความเข้าใจตามสมควรผมขออยากขอกราบเรียนถามประเด็จพระคุณ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 ทั่วไปก็ไม่ทราบกันว่าจะเอาธรรมะข้อไหนเหตุว่าในศาสนาพุทธเราธรรมะนั้นมีมากธรรมะของบารชิตก็มีธรรมะของพระราวาสก็มีแล้วก็มีอยู่มากมายหลายอย่างจะเป็นธรรมะอย่างไรบ้างความจริงคํากล่าวอย่างนี้ที่ว่าให้เอาอะไรต่ อ, อไรไว้กับตัวนี่ในศาสนาอื่นเขาก็มีเป็นต้นเลในศาสนาที่ก็นับถือพระเจ้าเขาก็มักจะสอนกันว่าให้เอาพระเจ้าไว้กับตัวถ้าอย่างนั้นก็ พ็จะทําได้ง่ายเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าไม่สูดจะยากเย็นอะไรนะักก็จะเก็บเอาไว้กับตัวได้แต่ว่าบอกไว้เอาธรรมะไว้กับตัวกระผมก็อยากจะทราบว่าเาธรรมะที่ท่านได้กรุณากล่าวถึงไว้เอาไว้กับตัวนั้นเป็นธรรมะอย่างไรและธรรมะข้อไหนเจ้าพอปัญหานี้ดีมากเป็นปัญหาที่ควรถามอย่างยิ่งท่านมาก็ตั้งใจจะอตอบคําถามข้อนี้อย่างยิ่งที่เพื่อประหยัดเวลาอจะว่ายตอบ ในเมื่อบรรยายถึงตอนนั้นซึงถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งของอการบรรยายในวันนี้ที่เรียกว่างานคือการปฏิบัติธรรมะนี่จะได้โอ่อบรรยายคําว่าธรรมะและธรรมะที่ควรมีอยู่กันเนื้อกับตัวโดยละเอียดที่ตอนนั้นนี่เป็นตอนอารัมพกถาอ่ขออขอขอซ่อมจะเพียงว่ามันเป็นสิ่งที่ควรเอาไว้กันเนื้อกับตัวโดยแท้จริงลตลอดเวลาหรือไม่เท่านั้น คะผูข้ขอประธานกลาวเรียนถามอีกข้อเมื่อกี้ก็เกิดสกิดใจท่านกล่าวว่าสัตว์บุรุษคือเป็นพระพุทธวจนะว่าที่ประชุมที่ไม่มีสัตว์บูรุษก็ไม่ใช่สภาในขณะนี้ก็กําลังร่างรัฐมนูญกันอยู่ในประเทศไทยผมก็เป็นสมาชิกร่างสภาร่างรัฐมนูญอยู่ด้วยปูนหนึ่งปัญหาที่จะพิจารณากันมาก็รู้สึกก็มีความมีตกอยู่มากวาสภากของประเทศไทยต่ อ, ต อ, ตอไปนั้น จะมีลักษณะอย่างไรจะมีความเรียบร้อยหรือจะมีความวุ่นวายอลนเวงอย่างไรหรือไม่ท่านผู้ที่ร่างรัฐนูลทุกวันนี้ก็รู้สึกบ ร, รมัดระวังและกําลังพิจารณากันอยู่โดยรอบขอบแต่ผมคาดการณ์ว่าคําตอบก็คือว่าที่จะให้สภาของเราเป็นหลักฐานของแผ่นดินและเรียบร้อยต่อไปข้างหน้าก็ควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้คนทั่วไปได้เลือกสัตบุรุษเข้ามานั่งในสภาตอนนี้สัตบุรุษเข้ามาแล้ว ถึงแม้ว่าไม่เป็นส่วนมากแต่ว่ามีจํานวนพอสมควรก็บางทีที่สภาของเราก็จะเป็นสภาจรงิจรงๆขึ้นมาในในในทัศนคของศาสนาพุทธได้ก็อยากจะขอกราบเรียนถามสั้นๆว่าลักษณะของสัตวบุรุษนั้นเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของสัตว์ประหลุดหรือสันตะบุคคลมนทีน่นี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าผู้ส ง, งบ และขยายความไปว่ามีกายมีวาจามีจิตอันสงบเมื่อเพ่งเล็งถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสประโยคประโยคนี้ในฐานะเป็นหลักทั่วไปไม่เฉพาะที่ประชุมของสงฆ์ก็ย่อมจะกล่าวได้ว่าท่านต้องการให้ที่ประชุมที่จะทำหน้าที่ที่ประชุมหรือสำเร็จควรควรเรียกว่าสภานั้น ประกอบไปดยบุคคลที่มีการบังคับตัวเองมีความซื่อตรงต่อตัวเองหรือต่ออุดมคติของที่ประชุมนั่นแล้วก็สารวมกายวาจาใจให้สงบร่ำงับไม่รู้อำนาจแก่โทษสะหรือแก่อคติทั้งสี่ประการและเราก็รู้สึกว่าปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาของประเทศชาติทีเดียว นันเป็นคำถาม ท, ท, ท, ท, ที่ดีมากที่ขอให้ขอวิงวอนให้ท่านทุกคนช่วยสนใจและช่วยกันศึกษาเรองนี้จนเข้าใจเพื่อเราจะมีสภาที่เป็นสภาเล็งถึงว่าเราจะต้องได้รับอาจจะต้องได้มีบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมซึ่งซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าเหมือนกันว่าประกอบด้วยธรรมอย่างไร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 เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจึงขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายที่มีหน้าที่เลือกนี่สนใจในคําว่าสัตบุรุษคือบุคคลผู้ประกอบไปด้วยธรรมจะเส่ววงขอเร่งนับได้เป็นสัจบุรุษได้ก็เพราะมีหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมอยู่กันเนื้อกับตัวอย่างที่เรียกว่าหน้าอาจารย์ท่องครัวก็มีเนื้อมีตัวเป็นธรรมนั่นอีกเหมือนกันัน้ให้ให้ให้ใหใหคนทุกคนที่จะเป็นผู้เลือกก็เป็นผู้มีเนื้อมีตัวเป็นธรรม แล้วก็จะสามารถเลือกผู้ที่มีเนื้อมีตัวเป็นธรรมเป็นผู้แทนและประชุมกันรายละเอียดเกี่ยวกับว่ามีธรรมอย่างไรและจะเป็นผู้ส ง, งบหรือเป็นสัตว์รุษนั้นเราจะวินิจฉัยพร้อมกันไปทีเดียวกับคำว่าธรรมอีกนะครั <c oughs> มีอย่างนี้ <c oughs> ตัวประพรมขอเปียนถามพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าแนะนําให้เลือกบุคคลซึ่งมีธรรมะเข้ามาในสภาแดี๋ยวเขาได้บรรยายองค์ของตัดสบหลุดเอาไว้ด้วยปัญหามีอยู่ว่าบางคนมีความรู้ตามหลักเกณฑ์ของสภาที่ต้องการแต่ว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีธรรมะบุคคลจะมีความรู้ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดยตามที่สภาต้องการตามกฎเกณฑ์ต า, า, ต า, า, ต า, ามขั้นกำหนดกฎหมายยอมเลยเข้าไปนั่งในสภาจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อบุคคลนั้น มีความโู้แต่ว่าไม่มีธรรมะที่เรียกว่าสัตย์ตำรวจขอพระคุณเจ้า โ, โปรดแนะนำทางใกล้ไขซึ่งจะได้เหลือ บ, บุคคลเหล่านั้นเขาไปนั่งในสภาราอนี้ห ม, มายวามว่าถ้าส่วนมากของอคนไทยเราประกอบไปได้วยธรรมกฎหมายก็ย่อมจะประกอบไปได้วยธรรมเพราะว่าออกขึ้นหรือประกอบขึ้นโดยบุคคลเมื่อบุคคลส่วนใหญ่ประกอบไปได้วยธรรม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 ก็ควรจะถือว่าผู้ที่ประกอบประธรรมเนี่ยมีสิทธิที่จะทวงสิงสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามทางของทำนั่นยิ่งเป็นการที่เห็นยิ่งขึ้นไปอีกว่าแต่ความสาคัญที่สุดที่มนุษย์เราจะรอดไปได้ก็เพราะก็ตรงที่ทําตนขึ้นมาเนื่องด้วยทำหรือประกอบด้วยทำให้ยิ่งขึ้นไปฐานั้นเองขอให้ถือเป็นหลักทั่วไปอย่างกว้างๆเท่าที่เราจะ บรนดาให้เป็นไปได้เพียงเท่านี้ขอขึอ้นเจ้าพิพากษาวันนี้เพราะนักหมาแต่เราผมาก็ยังอยากจะถามทีว่าทำเท่ไหรเล่าจะรู้ว่าบุคคลคนนั้นมีธรรมะเถ้าธรรมะไม่มีธงชัยเป็นเครื่องแสดงธรรมะเขาบุคคลไม่มีอะไรปรกากฏการไม่เห็นสําคัญแต่ว่าเมื่อมีความรู้ถูกต้องตามพ่าชบัญญักฎหมายและสมัครเข้าเลือกตังเราก็เลือกต่อไปปัญหาที่เราจะต้องประสบก็คือว่า ความทุกทธมนัดในเมื่อผู้นั้นเข้าไปนั่งสภาเป็นผู้ที่ไม่ใช่ตัดตระกูลข้อนี้ขอพระคุณเจ้าวิจารณ์นาดีฝังฝ่ายสับั้งตมามมองเห็นในข้อนี้ว่ามีอยู่ทางเดียวคือว่าเราช่วยกันทุ ก, ทกอย่างทุกมิตีทางให้พวกเราทุกคนนิยมธรรมะประกอบตนอยู่ในธรรมะและขยายไปจนกระทั่งทั่วทั้งโลก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 ผู้ที่ประกอบด้วยธรรมะแค่จริงนั่นจะไม่มีวันเดือดร้อนแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปในสภาพที่ไม่น่าปรารถนาอย่างยิ่งแม้ว่าโลกนี้ทั้งโลกจะลุกเป็นไฟไปหมดก็ไม่ทำจิตใจของผู้ที่ประกอบได้วยธรรมให้เดือดร้อนจนกระทั่งเขาดับไปด้วยเป็นวาระสุดท้ายที่เราจึงไม่กลัวในข้อนั้นและเมื่อสิ่งใดไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้ เราก็ต้องอดทนเพื่อสร้างเพื่อแก้ไขกันไปเรื่อยๆมันก็ต้องประสบความสาเร็จเข้าวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นประธานาธิารคำบรรยายในวันนี้ก็มุ่งหมายจะชี้ชวนในเรื่องให้หันหน้าเข้าหาทรรมยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาเท่านั้นเองและอันนั้นแหละจะเป็นการแก้ปัญหาหมดทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกระดับทีเดียว ผมขอโฆษณาสาธุบางทีคุณปุยย๋ยจะมีปัญหาจากสมพระว่าผู้คุณเจ้าอธิบายนี้ก็เป็นที่สราบซึ่งก็ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็จะพยายามปฏิบัติตามผู้คุณเจ้าให้นั้นก็ผมขอประทานการเรียนถามที่พคุณเจ้ากล่าวว่าธรรมะที่ถูกต้องจะไม่ทิ้งโลกหรือหนีโลกไปนั้นน่ะคืออย่างไรอยากจะขอประทานให้ยุตัสรรมให้กว้างขวางเพราะรู้สึกว่าเท่าที่เคยอ่านธรรมะของพระคุณเจ้า มาหลายเล่มก็รู้สึกว่าพยายามที่จะให้ตัวเองมันว่างให้เอ่อให้ว่างจากกิเลสกันหานต่างๆก็รู้สึกว่าจะมีอาการแคร่แท้จะทิ้งโลกออกไปทุกทีออกไปอยู่ต่างหากแม้แต่พระคุณเจ้าก็อยู่ไกลเหลือเกินรู้สึกว่าจะทอดทิ้งพุทธบริษัทอยู่บ้างฉันก็อยากจะกราบเรียนถามว่าธรรมะที่ถูกต้องที่ว่าหม่ยทิ้งโลกและหนีโลกไปนั้นน่คืออย่างไรที่ว่าธรรมะจะต้องอยู่กับโลกไม่แยกจากโลกนี่ ก็เป็นความมุ่งหมายที่จะบรรยายในขั้งหน้าอยู่แล้วเพราตอบว่าเพาอยืนยันแต่โดยใจความอีกขั้งหนึ่งว่าธรรมะกับโลกนั่นถ้ามองกันในส่วนลึกแล้วเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันถ้าว่าปราศจากธรรมะแล้วโลกก็ไม่เป็นโลกไม่ได้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 แต่ว่ายังมีข้อคงมีผู้คงใจยอยู่ในบางเรื่องเช่นในเรื่องกรรมและในเรื่องตายแล้วเกิดเราเชื่อกันว่าสัพนได้ทากรรมดีก็จะต้องได้รับผลของความดีนั่นตอบสนองแต่ทําทกรรมชั่วก็จะต้องได้รับผลชั่วตอบสนองเหมือนกันอาการการทากรรมดีนั่นบางทีผลดีก็ยังไม่ตอบสนองได้ทันตาเห็นเพราะเข้าใจกันว่ามีกรรมชั่วมาคอยขัดขวางกรรมเออกรรมชั่วเก่ามาคอยขัดขวางอยู่ อในทำนองเดียวกันการทําชั่วบางทีก็ไม่เห็นผลของกรรมทันตาเห็นก็ยังมีผลของกรรมดีในอดีตคอยช่วยอยู่แต่วันหนึ่งข้างหน้าผลของกรรมชั่วจะต้องมาตอบสนองหรือว่าไม่ใช่ชาตินี้ก็จะต้องเป็นในชาติหน้าแต่เรื่องนี้บางคนยังสงสัยเขาเห็นเป็นเขาเห็นกันว่าเป็นเรื่องของความคาดหมายปัญหาก็มีว่าชาติหนานั้นมีจริงหรือไม่และผลของกรรมจะตามไปสนองในชาติหนาใดหรือไม่ถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มี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 เพราะวูดตอบก็ไม่อาจที่จะเอาอะไรมาแฉให้เห็นได้เอเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนักปรัชญาฝรั่งคนหนึ่งมาเยือนประเทศไทยคือนายฟานคิสซอรี่กามีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องกรรมและในเรื่องตายแล้วเกิดเหมือนกัน เ, เมื่อพระคุณเจ้ามีความเห็นว่าเรื่องตายแล้วเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาไม่เป็นพระพุทธศาสนาจะพมจิตสงสยัย แต่ข้าจะขอให้พระคุณเจ้าได้ชี้แจงในเรื่องนี้และขอเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรือไม่เคยพูดถึงเรื่องตายและเกิดหรืออย่างไรแต่ในสมมติฐานอย่างเดียวกันพระคุณเจ้ากล่าวว่าถ้ารู้จักถ้ารู้ว่าตัวกูรหรือของกูไม่มีแล้ว<ม>ก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายและไปเกิดใหม่อปัญหาที่สามที่ถามว่าตายแล้วเกิดจึงไม่เป็นจึงเป็นปัญหาที่แคล้วที่สุดและไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลย พระพุทธศาสนานั้นมุ่งที่จะบอกให้รู้ว่าไม่มีคนอาที่ว่าเป็นตัวของเราหรือตัวเรานั้นก็ไม่มีมีแต่ความเข้าใจจิดของจิตที่ไม่รู้อาผู้ที่อ่านธรรมกถานี้หลายคนได้ปลราบรว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าเกิด่เราก็รู้ว่าเกิดใครๆก็เกิดแล้วมื่อเกิดแล้วก็มีตายเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็เป็นของธรรมดาเแล้วว่าไม่มีคนเกิดไม่มีคนตายนั้นได้อย่างไร นอกจากนั้นในขณะนี้ก็ยังมีความดันรีในเรื่องการคุมกําเนิดกันทั้อีกด้วยก็มีคนเกิดมากเหลือเกินถ้าเชื่อตามพระคุณเจ้าที่ว่าคนไม่เกิดปัญหาเรื่องคุมกําเนิดก็ไม่มีและความเห็นของพระคุณเจ้าก็รู้สึกว่าจะขัดกับความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปก็จะกลายเอ่อเป็นว่าถ้าหากว่าคนทั้งหลายจะเชื่อตามที่พระคุณเจ้าว่าก็จะต้องเชื่อตามที่พระคุณเจ้าว่าไดายไปเหมือนกันโพรไม่อาจจะพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ เป็นอันว่าศรัทธาในธุพุทธศาสนาของประชาชนก็าอาจจะคอนแขนไปได้บ้างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่อยากจะขอให้พระคุณเจ้าในกรุณาพิจารณ า, า, าปัญหาเรื่องเกิดใหม่หรือไม่กับเรื่องกรรมนี่เป็นปัญหาต้องการคําตอบอย่างยืดยาวมากถ้าจะเออภิปรายกันในเรื่องนี้เต็มที่แล้วคงจะหมดเวลาพระมาจะขอตอบเท่าที่เห็นว่าจําเป็นหรือโดยสรุปที่มันก็เกี่ยวกันกันกบ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 คำสอนอย่างนี้มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าระทำดีดีทำชั่วชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดบัตรทรงบัตรกาเนิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อจะสอนลทัทธิกรรมชนิดที่จะชนะทุกได้ระดับทุกได้ตรงที่ว่าคนทำชั่วก็ทนทุกไปตามแบบคนทำชั่วคนทำดีก็ทนทุกไปตามแบบของคนทำดีขอถ้าใจคาคำคำเดียวนี้ให้ใหใหดีว่าคนมีบาป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 ย่าให้หยูดอยู่ในเพียงขั้นต้องศีธรรมว่าตายแล้วเกิดทำชั่วเกิดชั่วทำดีเกิดดีเนี่ยทำนองนี้มันเป็นส่วนของศีลธรรมเอในท่านต้นทั่วไปสําหรับบุคคลทั่วไปประเภทหนึ่งซึ่งยังทําอะไรให้มากกว่านี้ไม่ได้แต่พุทธบริษัทเราควรจะมุ่งหวังเอถึงกับจะดับทุกข์ให้ได้ดีกว่านั้นให้น่าดูกว่านั้นคิดกล้าคิดกล้านึกเจนเข้าใจในเรื่องความเกิดอย่างถูกต้อง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 และมวดทำที่เป็นเครื่องมือสำหรับจ ะ, ะสร้างจะทำงานด้วยจิตว่างหรือสร้างโลกสร้างโลกสร้างชาติให้สำเร็จปรากฏเหตุนี้มีอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังหันหลังให้แก่ทมแล้วเราได้รับบาปก ร, รมและรับโทษทันอันนี้แล้วก็ไม่รู้สึกตัว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 หรือว่าแม้แต่เพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงนี่ก็ยังหายากอย่าว่าแต่เพื่อทําหรือเพื่อเพื่องานล้วนๆที่เป็นโทษของการที่อไม่ประกอบไปได้วยธรรมะโครงการนั้นก็เป็นเรื่องอวิมานในอากาศหรืออะไรสนองนั้นที่งานที่ทําก็ได้แต่อย่างที่เป็นผักชีโรยหน้าตัวทําเพียงเพื่อได้อ่านรายงานเนเสนอผู้บังคับบัญชาหรืออะไรสนองนี้ที่คือโทษ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 ของสังคมที่รวมกันเอเป็นประชาชาติหรือเป็นอะไรก็แท้ก็ตามประตามแต่จะเรียกมีการต่อต้านที่เรียกว่านารงหรืออะไรต่างๆนี่เพื่อจะบำบัดนั่นนี่เช่นบำบัดความอดอยากบำบัดความเจ็บไายบำบัดความไม่รู้หนังสือในโลกอย่างนี้แล้วก็ถือกันว่าเป็นงานชิ้นเอกงานสูงสุดอย่างนี้อาตมายังรู้สึกว่ามันยังเป็นแต่เพียงกลายเหตุ ในต้นต่อหรือต้นเหตุพวงมันนั้นมันเรื่องมาจากการไม่มีธรรมถ้าเราจะจะบำบัดหรือมาลงสิ่งทําการารงค์กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องแก้ไขที่ต้นต่อคือการทําให้มีธรรมก่อนที่จะไปนึกถึงที่ว่าจเจ้าเอาอะไรให้เขากินเอายาอะไรเขากินหรือว่ารีตสอนหนังสืออย่างนี้ <c oughs> ถ้ามาพายืนยันความคิดเห็นว่าให้ธรรมะก่อนการให้อาหารกินหรือก่อนอการเจ็บไาย การไม่รู้หนังสือเพราะว่าการมีธรรมะนั่นจะทำให้เขาแก้ไขความกดอยากหรือการเจ็บป้ายหรือการไม่รู้หนังสือได้โดยตนเองไม่ใช่ว่าเขาจะตายเร็วเกินไปจนเราเทำไม่ทันเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่พราที่จ ะ, ะมีเวลาพราะที่จะต้นใจกับธรรมะแต่แล้วเขาก็ไม่สนใจธรรมะยิ่งมองอีกหน่อยหนึ่งก็จะเห็นว่า ถ้าไปมองเห็นกันแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเมื่อเรื่องหนังเรื่องเจ็บเรื่องท่ายทางร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มองกันแต่ในทางวัตถุเกินไปไม่มองกันในทางจิตจิตใจหรือทางมโนธรรมจึงไม่ถึงต้นตอโดยเชื่อคถือว่าจิตเป็นต้นตอของวัตถุอความเจริญในทางจิตเนี่ยเป็นต้นเหตุต้องความเจริญในทางวัตถุ ที่เราไปกลับหลังกลับทวนควรควรกันจะเป็นจะเอาวัตถุเป็นใช่ไค้าจะเอาวัตถุเป็นรากฐานหรือเป็นต้นตอของจิตใจให้เขาให้คิดนึกในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราทำผิดพลาดและเราจะเหนื่อยเปล่าและเราจะอยู่ในสภาพที่หน้าสมเพศที่สุด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 อย่างจะยกตัวอย่างเหมือนอย่างคำว่ากิจการของลูกเสือเราดูต้องอุดมคติของลูกเสือหรือว่ากฎของลูกเสือเราจะเห็นว่าแต่ละข้อนั้น่ะไม่พ้นไปจากครรมะในพระพุทธศาสนาแต่ทำไมไปเรียกกฎเกียนเหล่านี้ระบบนี้ว่าเป็นเรื่องลูกเสือคิดดูไปดีแต่ว่าคำว่าลูกเสือนี่มีความหมายอย่างไร ถ้าจะไปเรียกว่าลูกของธรรมะรู้ว่าลูกของธรรมเป็นธรรมบุตรอย่างนี้จะดีไหมเรียกว่าลูกเสือไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ที่เป็นพายกพายิกาอุบาสกอุบาสิกาถ้าเรียกว่าเป็นลูกของธรรมหรือว่าคล้ายๆกับอันนี้นะจะได้รับความสนับสนุนพันทีนี่เป็นความยุติธรรมที่ว่าเมื่อแท้นั่นเป็นธรรมแต่ไปเรียกว่าเป็นลูกเสือลูกหมีลูกสิงโตอะไรตรงนี้ที่เรียกว่า ไม่เป็นธรรมแก่ธรรมเราจะไม่ยึดถือในคํำนี้คาเรียกนี้จะเรียกว่าอะไรก็ได้จะต่อให้มันประกอบอยู่ได้ธรรมและถ้าเราเห็นแก่ธรรมเราจะต้องนึกถึงธรรมเหมือนนึกถึงพระพุทธศาสนาก่อนอื่น <ś cis> เมื่อเรามามองอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ทันทีว่าชาวโลกทั้งโลกเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ธรรมอย่างเพียงพอ ถ้ายกับว่าเอาเปรียบทำคือชิงเอาหน้าอของทำอยู่มากนี่ไม่ใช่การนแหนะการแหนะที่เตียนกิจการของลูกเสือเพียงแต่ว่ายกไม้เป็นตัวอย่างว่าในเรื่องหลายสิบเรื่องหลายร้อยเรื่องนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้ต่อไปก็อยากจะมองอยากจะขอวินวอนมองต่อไปว่าอคนในโลกเรานี้ช่างชอบความหลอกลวงเสียเกินไป ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเช่นว่าเราจะดูแคตตาล็อกขายของตา ม, มนิตยสารต่างๆนี่จะเห็นราคาที่ว่าสองสองเหรเก้าสิบห้าเซนหรือสองบาทเก้าสิบ้าสตางค์สามบาทเก้าสิบห้าสตางค์นี่มากที่สุดและดูจะทำเป็นแฟชั่นไปเลยท่านนี้เป็นแฟชั่นก็หมายความว่า้าวโลกนี้ชอบหลอกลวงทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคือคนทั้งโลกนั่นเอง นี่ไม่ใช่จะกันแกันแน่ีเจในกา ร, กรทานี่โดยเฉพาะยกตัวอย่างมาเพียงว่ามันแสดงอยู่ชัดว่าในโลกนี้ชอบความหลอกลวงมันจึงยากอย่างยิ่งที่จะเกิดความสนใจในธรรมพราะเราต้องหยุดการชอบความหลอกลวงนี้กันทุกวิถีทางที่ดูต่อไปอีกเราจะเห็นว่าชาวโลกลุ่มหลงจนไม่ให้ความเป็นธรรมแกธรรมะหรือธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นว่าการที่มนุษย์จะต้องมีการสืบพันธุ์อย่าให้ศูนพันธุ์อย่างนี้เราไม่ได้ยอมรับความมุ่งหมายของธรรมชาติอันนี้แต่ไปพลิกเป็นเรื่องความสนุกสนาน อ, อทางกิจกรรมระหว่างเพศหรือเป็นในของเล่ยเถิดนั่นไปอีกไม่ได้เคารพในการที่จะต้องสืบพันธุ์เพื่อรักษาพันธุ์ของมนุษย์ว่าอย่าให้ศูนย์ไปจากโลก หรือว่าให้มีการประพฤติ ธ, ธรรมะอยู่ในโลกเพราะมนุษย์ไม่ศูนพันอย่างนี้เป็นต้นทนี่การกินการกินอาหารและการอยู่อาศัยเจะเป็นปัจจัยสำคัญนี่แทนที่จะเคารพในความมุ่งหมายว่ากินเพื่ออยู่เพื่อประพฤติ ธ, ธรรมกลับเป็นว่าหมุนจริงแล้วนี้ให้เป็นความอรอร่อยหรือเป็นอุปกรณ์ของกิจกรรมระหว่างเพศไปหมด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 เพราะฉะนั้นธรรมะจึงตอบแทนอย่างสาสมโดยหลักที่ว่าผู้ใดเหยียบย่าธรรมะธรรมะจะเหยียบย่ำผู้นั้นนั้นมนุษย์เราจึงตกอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ทรมานคล้ายๆกับว่าเป็นนรกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มองเห็นข้อเท็จจริงอันแรกที่สุดนี้เสียก่อนแล้วนราธรมาคิดว่าไม่มีทางที่จะสาเร็จ แม้ว่าเราจะมาอภิปรายเรื่องธรรมะนี้กันให้มากมายสัก เ, เท่าไรท่าพเจ น, นขอยกขึ้นว่าอันนี้เป็นปราระเตทที่จะต้องวินิจฉัยกันเป็นข้อแรกว่าเรากําลังเหยียบย่ําธรรมะไม่สนใจแก่ธรรมะให้สมกับค่าของธรรมะหยุบเปล่านี่ขออพระเจิญท่านอาจารย์ึทคือและอาจารย์อื่นๆช่วยเออซักซ้อมความเข้าใจข้อนี้ ผมก็บอกจะไม่มีอะไรที่จะกราบเรียนถามคือว่าบทเข้าที่ท่านบรรยายมากก็แลเห็นแจ่มแจ้งแล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าธรรมะในที่นี้ที่ท่านกล่าวถึงผมเข้าใจว่ามันมีอยู่สองสองอย่างคือคือธรรมะในทางที่ควรปฏิบัติคือในธรรมะที่ที่ที่เป็นเครื่องกําหนดในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นอย่างหนึ่ง แล้วธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติหรือเป็นสภาพของธรรมดานั้นหรือมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงคือที่ท่านกล่าวว่าเพราะมนุษย์เราเหยียบย่ำธรรมะธรรมะก็เลยตอบแทนเอานั้นรู้สึกว่ามีเกี่ยวพันกันอยู่ทั้งสองอย่างคือเป็นต้นมามนุษย์ขาดความสมํัมพันธ์ในเรื่องการครองชีพไม่ว่าจะทํากิจการใดก็ถือว่าเป็นกิจกรรทางเพศไปหมด ผลที่เกิดก็คือว่ามนุษย์ล้นโลกจกนกระทั่งเกิดความลําบากอย่างนี้มันก็มีทั้งสองทางธรรมะทั้งสองอย่างเอ้ามาประกอบกันคือเรื่องของธรรมดาอย่างหนึ่งและเรื่องของศีลธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มาลงโทษมนุษย์ที่กระ้มเข้าใจอย่างนี้จะถูกหรือไม่เีพอนเป็นอย่างนั้นแล้วอาาลังกาลังจะวิจัยธรรมะธรรมะนี้ในใ น, ในเวลาต่อไปนี้จะไี่มีปัญหาอะอีก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 อยากจะกราบเรียนถามว่ามีทางไหนจะหนีโลกอย่างนี้ได้มั่งผมไม่อยากอยู่แล้วนี่เป็นปัญหา ท, ที่ที่เป็นที่ควรจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งท่างของวิมวอนท่านผู้ฟังให้ช่วยเอาไปคิดไปนึกอย่างยิ่งเพื่อเราจะทุบ ม, มือกันได้ถ้าเราไม่เข้าใจกันได้ในเรื่องนี้แล้ว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 ขอใอ่านดูนายพระตัเป็นดกตอนที่พระอานนท์สนทนากับพระเจ้าอุทเทนถึงเรื่องการใช้จีวอพระานนท์ถูกถามว่าเมื่อจีวอนก่าแล้วทําอย่างไรพระานนท์ตอบว่าต่อพระเจ้าอุเทนนั้นว่าก็พยายามที่จะปะถ้าปะไม่ไหวจะทําอย่างไรก็จะดามคือซ้อนสลหลายชั้น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 แลพระภูนังกระช่ายจนเก่าจังขาได้ทำอย่างไงก็บอกว่าเอาไปเผาไฟเอาขี้เท้ า, าขย้ำกะมูลโคแล้วก็ไปชาบฝากุติซึ่งทำด้วยดินให้มันเป็นของสะอาดขึ้นมาใหม่พระเจ้าเทนนลอยนับถือพระพุทธศาสนาเพราะคำตอบข้อนี้ใหนท่านลองคิดดูว่ามันประหยัดกี่มากน้อยเมื่อเทียบกับพวกเราเดียวนี้และขออภัยที่จะต้องใช้คาว่าพระเนนสมัยนี้ ถ้าจีวรประหยัดเท่าไรวินัยมีบัญญัติจะต้องประหยัดสมงวนบริาคารซึ่งชายสอยโดยเฉพาะอย่างว่าบาทอย่างนี้จะเก็บก็ต้องระวังเก็บอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาเก็บเข้าไปใต้เตียงใต้ต่างก็ต้องควานดูก่อนว่ามีอะไรอยู่จะกระทบบาทแตกเพราะเป็นบาทดินสีนี้อย่างนี้มีละเอียดปรับอาบัติที่นัน่นทั้งโดยธรรมะก็ดีโดยวินัยก็ดีมีการประหยัดอย่างยิ่ง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 พุทธศาสนาก็มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาแต่ราระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะให้เป็นการพัฒนาจริงๆภาษาบาลีคํานี้สับสนพัฒนาแท้คือเจริญจริงๆมันท่านใช้คํ า, าว่าผวังเช่นสุวิชาโนผวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญส่วนคําว่าวัวัฒนาที่มาเป็นภทยว่าพัฒนาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกลับเป็นความเจริญที่ไม่พึงปรารถนาคือว่า หมายถึงโรครุงรังเชนักศยาโลกาวัฒโนเนี่ยอยาทําโลกให้เจริญนี่หมายคำว่ายาเป็นคนโรคโลกคําว่าวัฒนาไปด้วยจะพบว่ามันหมายถึงโรครุงรังฉะนั้นไม่ใช่เจริญในสภาพจินตนาปราถนาแต่ว่าภาษาไทายเราแนคําว่าพัฒนามาใช้เสร็แล้วไม่รู้จักคํ า, าว่ารวังนั่นเลยต้องระมัดระวังให้ดีว่าจะต้องพัฒนาชนิดที่ว่าเป็นอ เาวังเนีลยมีความเจริญไม่ใช่พัฒนาอย่างรกรุงรังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนญยาโรกเขาเรียกว่ามันเจริญเหมือนกันทีนี้ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าพัฒนาเนี่ยมุขตศาสนาไม่ได้มุ่งหมายให้วัฒพัฒนาทางวัตถุแต่ให้มุ่งหมายอพัฒนาในทางจิตมีคําว่าภาวนาซึ่งธาดุนั้นเดียวกับคําว่าภาวังแปล ว, ว่าทําให้มันเจริญขึ้น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 นี่อยากให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่นิยมการพัฒนานิยมการถอยหลังหนีเข้าป่าไปอยู่เป็นฤาษีตามถาม้าตามเขาคนเดียวนี่ไม่ใช่แต่ว่าให้พัฒนาด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องในทางจิตใจและควบคุมวัตถุได้แล้ววัตถุก็ไม่ต้องรกรุงรังเหมือนยารกแต่ก็มีความเป็นอยู่ที่สบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์เรา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 ยุ่งกันไปหมดจนหันหน้าเข้าหากันไม่ได้ทําความเข้าใจกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมที่นี่ก็ดาเาเองตามความรู้สึกสามัญสํานึกตามอารมณ์ที่กระทบมากนี่กลายเป็นว่าคนหนึ่งก็ว่าเกิดมาเพื่อความอเลทะรอยทางอายาตนะอายาตนะที่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายเนื้อหนังเนี่ย เพื่อความอ ร, อ, รอยทางเนื้อหนังอย่างที่เรียกว่ากินดื่มร่าเริงเต็มที่พรุ่งนี้อาจจะตายเสียก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดีกว่านี้ก็จะรู้ว่าเกิดมาก็เพื่อกินเพื่อกามเพื่อกียดสามกรเนี่ยกินกามเกียดกินกามเกียดเนี่ยไม่มีวันเพียงพอเกิดมาเพื่อแถวนี้เองไม่ยอมรับรู้เป็นอย่างอื่น ที่พวกหนึ่งจะไปได้สูงกว่านิดหน่อยก็ว่าฉันเกิดมาเพื่อจะสร้างโลกนี้ให้งดงามตัวโลกนี้ไม่มีมนุษย์แล้วไม่น่าดูมนุษย์จะมีอยู่ในโลกเพื่อทําโลกนี้ให้งดงามหรือบางคนจะคิดว่าเราเกิดมาเพียงเพื่อจะให้มนุษย์ศูนย์พันอย่างนี้ก็ลองคิดดูเถอะว่ามันยังต่างกันเแต่แล้วปฏิกิริยาแสดงออกของคนเหล่านี้ย่อมต่างกันมาก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 พ้าเห็นว่ายังไกลแม้แต่ที่ว่าจะเกิดมาเพียงเพื่ออยากให้มนุษย์ศูนยพันนี่ก็ยังไม่มีซะแล้วจึงไม่มีแม้แต่เพียงว่าจะเกิดมาเพื่อให้โลกนี้มันงดงามจะสร้างโลกนี้ให้งดงามนั <c oughs> ้นจึงพูดกันไม่รู้เรื่องอันจึงหน้าระอาหน่าเบื่อนาอย่างยิ่งในการที่จะพูดกันให้รู้เรื่องในข้อนี้จนหาหาเพื่อนร่วมมื อ, อยากอย่างอาจารย์ชึ่อฤทธิ์ว่าแต่แล้วในที่สุด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 คือเอาชนะความทุกข์ได้ที่นี้อันสุดท้ายที่จะปรารกฏในฐานะเป็นอารัมพกถานี่ก็คือว่าแม่ในหมู่พุทธบริษัทเราก็ยังเข้าใจกันไม่ได้ในในเรื่องของภาษาในเรื่องคำพูดเช่นว่าคำว่าความอยากหรือความต้องการเพราะว่าความอยากแล้วก็ถูกปรับถูกประนามหมดว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอกุศลและจิต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 เช่นเหอตามตามเข้าไปด้วยความงมงายอย่างนี้ถูกแล้วจัดความอยากไปนิพพานนั้นว่าเป็นปัญหาเป็นอกุศลจิตก็ได้เป็นโมหะก็ได้แต่ถ้าความอยากและความต้องการที่จะไปนิพพานนั้นประกอบด้วยวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้อ ง, งที่สมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วไม่ถูกเรียกว่าเป็นปัญหาเพราะไม่ได้มีมูลมาจากอาวิชาแต่ว่ามีมูลมาจากวิชาทีนี้เรามาเหมากันทั้งหมดในเมืองไทยนี่เอง ทางสาราวัดที่เองว่าความอยากทุกชนิดเป็นอกุศลและจิตเป็นสิ่งที่ควรขยะขยั้งสอนไม่ให้อยากไปทางนี้หรือว่าถ้าจําเป็นจะต้องอยากก็ให้ทนฝืนความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไม่ได้พุทธบริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรแต่ฝืนความรู้สึกว่ามันมันไม่ดีและจะต้องทําอย่างนี้ <c oughs> อีกคําหนึ่งที่เราพอเป็นตัวอย่างได้ก็เช่นคําว่าสันโดษ <c oughs> ไม่พุทธศาสนามีคําว่าสันโดษ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 อย่งชาวนาขุดดินลงไปทีหนึ่งก็พอใจว่าขุดไปทีหนึ่งสองทีก็พอใจว่าขุดไปสองทีอพอใจส่วนเสฮ해หาอยู่เรื่อยก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยความกลัดกลุ้มว่าถ้าเหลือเกินไม่ได้ผลง่ายทําไปไปขมโมยดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นทันต์ดอจึงเป็นแ เ, เครื่องมือจําเป็นที่จะรอเลี้ยงอยู่ทุกๆวินาทีให้คนพอใจในการปฏิบัติธรรมทันด์ดอที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้กันเรียกว่า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 พระพุทธศาสนาและรักธรรมะและหันหนา้าเข้ามาหาธัมะได้โดยง่ายได้และเป็นไปโดยง่ายได้คือก้าวหน้าในธรรมเนี่ยโดยง่ายได้ที่ข้อก้อโอกาสยุติขอ้อแท้จริงที่ว่ามันมีอะไรอยู่หลายอย่างที่ทำให้เราเกลียดธรรมะหันหลังให้ธรรมะหรือว่าไม่สามารถจะสัมพันธ์นกันกับธรรมะได้ ทีนี้จะมาจะได้เริ่มการบรรยายซึ่งเป็นเนื้อแท้ของความของการบรรยายครั้งนี้โดยหัว ข, ข้อข้อแรกที่ว่างานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้จะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจคำว่าทำไปก่อนอย่างที่อาจารย์ชื่อทิดว่าเมื่อกีน้นี้เพราะว่าคาว่าทำเป็นคำที่ ยังเข้าใจกันไม่ไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยแหละสมบูรณ์บางทีก็เข้าใจสับสนเพราะว่าคำนี้มันกว้างมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจข้อแรกทั้งคำว่าทมคำว่าทำเนี่ย <c oughs> โดยภาษาบาลีหรือภาษ า, ษาสันสกิตก็ตามถ้าพูดถึงเฉพาะตัวภาษาคือตัวคำพูด โดยตัวอักษรตัวพจน์ชนะนั่นมันหมายถึงสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นสิ่งใดหมดและถือว่าทุกสิ่งเป็นธรรมชาติไม่ว่าสิ่งที่จะเอธรรมดาหรือผิดธรรมดาี่ใช้คําอย่างนี้ที่มีมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ตามที่มุนเวียนเปลี่ยนแปลงหรือไม่มุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็ตามหมายถว่าทั้งหมด นับตั้งแต่สิ่งไม่มีค่าจนไปจนถึงสิ่งมีค่าจนกระทั่งความคิดความนึกจนตระั่งการกระทําจนกระทั่งผลของการกระทํามีสมรรคผลนิพพานจนที่สุดกล่าวนี้เรียกว่าทำทำเดียวเท่านั้นแล้วเสมอกันงหมดและโดยธรรมชาติแท้เขาเรียกว่าทำเ <c oughs> นี่ยในชั้นแรกที่สุดต่อให้หลับตานึกคิดมองเห็นชัดลงไปว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรม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 เพราะคว่าทำรรแปลว่าทรงทรงไหวทรงตัวเองไห้ทรงตัวเองไว้ในลักษณะโดยเฉพาะของมันเองนี่เรียกว่าทำนี่ทำก็คือสิ่งทั้งพวงนี่เป็นข้อแรกเป็นพวกแรกที่เราก็เยือขึ้นมานิดหนึ่งว่าสิ่งทั้งพวงนั้นมีกฎเกณฑ์ที่มองดูที่กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งพวงก็พบว่าทุกๆอย่างทุกทุกชนิดทุกๆ ก, กระดับมีกฎเกณฑ์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 นี่เป็นอกุศลละธรรมนี่เป็นอัพยกิดคือยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอกุศลหรือเป็นอกุศลนี่ก็เพราะว่าเอาตามใจมนุษย์ชอบนั่นเองมนุษย์มองเห็นว่าอย่างไรดีหน้าเอหน้าหน้าปราถนากต่ว่าเป็นอกุศลลธรรมอย่างไรไม่น่าปราถนาเป็นอกุศลลธรรมอย่างที่บอกไม่ถูกก็เรียกว่าอาัพยกิตนี่มันคือความคิดความนึกความรู้สึกของมนุษย์เท่านั้น ที่ไปบัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าไม่ดีว่าไม่รั่วดีหรือชั่วขึ้นมาแล้วก็เลยติดติดที่ที่ตนถูกใจหรือพอใจเพราะนั้นความหมายของคำว่าทำจึงเกิดเป็นว่ามีกุศลธรรมอกุศลธรรมพยากรตธรรมอะไรขึ้นมาแต่ในสุดก็ไม่พ้นจากสิ่งทั้งปวงท่านจึงว่าสิ่งทั้งปวงก็ดีก็ดีทั้งสิ่งทั้งปวงก็ดี หรือประเภทของสิ่งต้องพวงที่จำแนกเป็นเพศต่างๆก็ดีเรียกว่าธรรมนี่คือความหมายพื้นฐานระดับพื้นฐานอันที่สุดอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าเป็นราฐานของวิชาหรือของทฤษฎีที่จะเกิดการปฏิบัติทีนี้ก็มาถึงคำว่าธรรม ที่ใช้กันอยู่ในยุคที่มนุษย์มีความก้าวหน้าในทางจิตหรือทางวัฒนธรรมพอสมควรแล้วคำว่าทำมีความหมายพิเศษออกมาแย ก, ออกมาว่าหน้าที่ดิวตี้หรือหน้าที่นี่ถ้าเราไปเปิดดูในหนังสืออนพกิเจนารีนันจะกรีกหรือภาษาโบราณในอินเดียนี่โดยเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา ใน้ศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะคือเป็นคำธรรมดาสามัญคล้ายๆกับว่าเป็นเจริยธรรมสาคลใช้ได้แต่คนทุกคนแล้วก็แปลคำธรรมะนี่ว่าหน้าที่ดิวตี้หรือหน้าที่และมีก่อนพุทธกาลที่ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีการใช้คำว่าธรรมะซึ่งแปลว่าหน้าที่เนี่ยเพราะะนั้นคำว่าธรรมะเกิดมีความหมายที่แคบข้ามา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 น้ำคำว่าทำานกรมีทั่วไปที่ใช้ได้ทั้งในทางศาสนาทางปรชัชญาทางจริยธรรมอะไรก็ตามเนี่ยมีคําแปลว่าหน้าที่แม้แต่ว่าเราจะเปิดหนังสือเอสันสกฤยชนิดที่ว่าหน้าขยักแยงเออย่างหนังสือชื่อกามาสูตรอยู่นี้มันทัดแรกจะพบว่าการประกอบกรรมระหว่างเพศเป็นการประพฤติษษธรำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ จะต้องทำให้ถูกต้องเพราะนั่นสูตรนี้จึงถูกเขียนขึ้นว่าอย่างนี้หมายความว่าทำนั่นคือหน้าที่และหน้าที่จะไม่ไม่ยกเว้นอะไรหมดท่านขอให้ให้ความเป็นธรรมว่าทุกอยางที่มีความรู้สึกมีเส้นมีความรู้สึกแล้วจะต้องสำนึกในหน้าที่จะต้องประพฤติหน้าที่เช่นว่าตัตนิรชาน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 ท่านจึงเห็นว่าคําว่าธทรเรนี่ยในความหมายที่เรียกว่าหน้าที่เนี่ยเป็นของธรรมชาติโดยแท้ไม่ใช่คนบัญญตัติเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยแท้ว่าสิ่งมีชีวิตหรือมีความรู้สึกนี้จะต้องมีหน้าที่และจะต้องรับรู้ต่อความมีหน้าที่ท่า น, นทุกคนจะต้องทําหน้าที่อคือประพฤติ ธ, ธรรมหรือทําหน้าที่เพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของตัวนั่นแหละคือการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นหลักทั่วไปเอไม่ยกเว้น ในจริยธรรมระบบไหนปรัชญาระบบไหนหรือศาสนาระบบไหนที่ประมาณถึงคําว่าหน้าที่เมื่อมนุษย์เราจะเริญมากขึ้นจเจริญมากขึ้นในทางจิตใจในทางศาสนาจึงยอมรับเอาแต่เพียงหน้าที่ประเภทที่กําจัดความทุกข์ที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเท่นธธ า, า, านั้นเช่นพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าหน้าที่ที่จะทําลายโลภะโทสะโมหะนี่เป็นหน้าที่แล้วกับรรลุนิพพานมีผลของหน้า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 คือไม่ใช่กฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาทั่วๆไปถึงมากมายมหาศารเรียนไม่ไหวแล้วเอาแต่เพียงว่ากฎเกณฑ์ที่ว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นย่อมกล่าวได้ว่าแม่ชาวนาจะทํานาก็ว่าเเรียกว่าทําหน้าที่และเป็นการปฏิบัติธรรมเพราได้กล่าวมาแล้วตั้งต้นว่าแม่ต่ต้นไม้แม่แแมแแมแจะจัดเยริฉานแม้แต่การประกอบกรรมระหว่างเพศที่นี่มันก็เป็นหน้าที่ไปหมด ทันคนค้าขายที่ทำหน้าที่ของคนค้าขายถูกต้องบริสุทธิ์ก็เรียกว่าประพฤติธรรมนี่ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นกฎแรงของธรรมชาติและเป็นเอหลักธรรมอาตมาจึงถือโอกาสขอร้องว่าช่วยกันทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าถ้าชาวนาเขารู้ว่าการทํานานั้นคือการปฏิบัติธรรมแล้ว เขาจะสนุกสนานจะอิ่มอกอิ่มใจจะพอใจในการทำนาไม่ได้ทำด้วยความจำเป็นเดี๋ยวนี้เราบอกเขาว่าบุญอยู่ที่วัด ท, ทาธรรมะอยู่ที่วัดต้องไปที่วัดไอ้ทำนานี่ก็ทาเพื่อเอาไปแลกบุญที่วัดหรือไปแลกธรรมะที่วัดอย่างนี้เขาก็มีเรื่องหลายฝักหลายฝ่ายแล้วก็ต้องทนมากเกินกว่าเหตุแล้วไม่ใช่ความจริงด้วย หน้าที่คือทำมาทำมาคือหน้าที่นั้นชาวนาก็ตามชาวสวนก็ตามข้าราชการก็ตามผู้ปกครองก็ตามผู้ถูกปกครองก็ตามแม้สุดแต่อะไรอยาจกเห็นใจก็ตามทําหน้าที่ของตัวนั่นคือการประพฤติธรรมเนี่ยคำคำว่าทำในยุคก่อนพุทธกาลกระทั่งถึงยุคพุทธกาลมีความหมายว่าหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาให้รัดภุมคำว่าหน้าที่ของพุทธบริษัท สิ่หมายนิพานโดยเฉพาะนั้นเป็นอย่างไรที่นี้คําว่าธรรมในความหมายนี่แหละเกิดแยกออกมาจากอที่เป็นอกุศลพวกอกุศลที่เคยเรียกว่าธรรมหรือกฎเกณฑ์ของอกุศลว่าอย่างไรนั้นเราไมเ่เราไม่แต่ต้องเราไม่เกี่ยวข้องเรารู่วาสําหรับหลีกเลี่ยงและเราก็แยกมาแต่ฝ่ายกุศล คือความถูกต้องหรือความดีทั้งคําว่าทำจึงมีความหมายรัด ก, กุมเข้ามาว่าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่ถูกต้องเพราะว่าคําคํานี้ถ้ายเอาความหมายแล้วมันหลายสิบคำมีคําแปลหลายสิบคาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพียงหลายคําที่เป็นภ า, ศาศษาอังกฤษลองนับดูตั้งสามสิบสี่สิบคำหมายเป็นพวกเป็นพวกเป็นพว ก, พวกไว้หมายถึงธรรมชาติก็มีหมายถึงไงคําสอน หรือศาสนาก็มีหมายถึงความจริงความถูกต้องก็มีหมายถึงในธรรมชาติเฉยๆก็มีนี่แต่ว่าพวกเทโอโซฟีที่เขาตั้งใจจะรวมศาสนาทุกศาสนาให้เข้าเป็นศาสนาเดียวกันนี่ได้บัญญัติคำว่าธรรมขึ้นมาตรงกับหลักที่เราต้องการที่สุดที่มีใช้ยอยอู่ในพุทธศาสนา หรือว่าก่อนพุทธศาสนาก็ตามเพื่อความาหมายทำวันหน้าที่นั่นเอ ง, งถ้าบัญญัติว่าธรรมะนั่ น, นคือการปฏิบัติระวอของการปฏิบัติที่ตรงกับมนุษย์เหมาะสมกับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา p r o u r s e of conduct right for a man at his particular stage, stages of อีส์เอเวอเรเนี่ยระบอบ ก, การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเี่ยขอให้พวกเราโดยเฉพาะเยวาวชนนี่เข้าใจความหมายของคำ ว, ว่าธรรมในลักษณะ น, นี้แล้วจะชอบธรรมจะรักธรรมจะหันหน้าข้าหาธรรมมันแสดงความเป็นหน้าที่อยู่ในตัวว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่เกิดมานอนอ้อแออยู่ในบอกนี่ยมันก็มีเป็นวิวิวัฒนาการขั้นหนึ่งเด็กนั้นจะต้องมีระบบประพฤติปฏิบัติอย่างไดอย่างหนึ่งรู้สึกตัวก็ตามไม่รู้สึกตัวก็ตามหรือว่าธรรมชาติสอนให้ก็ตามจะต้องรู้จักหน้าที่ที่ว่าจะกินอย่างไรจะถ่ายอย่างไรจะร้องไห้อย่างไรหรือว่าจะพูดจาอย่างไร จะดินรนอย่างไรต่อไปจนเป็นเด็กที่คลานได้เดินได้เป็นทุกๆขั้นทุกๆตอนเขาจะต้องประพริบทำในความหมายนี้กระทั้งเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีธรรมะ ต, ต้องหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีธรรมะ ต, ต้องพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็เป็นคนเท่าคนแก่หรือเป็นเอนักบวชเป็นบนรรพชิตต่ตอไปทีนี้ว่าเด็กก็ตามคนหนุ่มคนสาวก็ตามเออพ่อบ้านแม่เรือนก็ตามชีวิตประจําวันอย่างไร ที่ออฟฟิศทางานอย่างไรกลางถนนอย่างไรในห้องน้าอย่างไรห้องเพวมอย่างไรเขาจะต้องประพฤธธิภให้ถูกต้อง <c oughs> ตามระบบของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความถูกต้องนั้นธรรมะในลักษณะนี้จึงหมายถึงความถูกต้องมันแทบเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วไม่ได้กว้างขวางทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลอย่างที่แรกแล้ว <c oughs> เหลือแต่ว่าฝ่ายที่เป็นผุ้ตนแล้วก็เหลือที่เป็นความถูกต้อง แล้วก็เหลืออยู่แต่ว่าเฉพาะมีวัฒนาการพันนั้นนั้นของเด็กของคนหนุ่มสาวของผู้ใหญ่ของคนท่าคนแก่มันไม่มากมายอะไรนั้นจึงไม่ออยู่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยที่เราจะประพฤติทำถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการทําหน้าที่คือการทําหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเลยเป็นสิ่งที่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 ที่แท่จริงในการทำงานเพราะนั้นไองงานนี่จึงเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นงานเพื่องานจึงจะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในงานนั้นข้อนี้เราต้องอาศัยการเปรียบเทียบว่า การทำงานเพื่องานนั่นเป็นอย่างไรแล้วการทำงานเพื่ออย่างอื่นเช่นเพื่อเงินนั่นเป็นอย่างไรการทำงานเพื่องานนี่มันเป็นการปฏิบัติทำบริสุทธิ์ปลุดพองรอยเปอร์เซ็นต์หนาจริยธรรมสาคลเขาก็มีหลักอย่างนั้นเห็นว่าดิวตี้เฮาฟอร์ดิวตี้สเนี่หน้าที่เพื่อประโยชน์แกหน้าที่นี้เป็นซุ้มมุ่งโบนุ่มข้อหนึ่ง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 ถ้าว่างานกับเงินเป็นอันเดียวกันจะต้องว่าจะต้องเป็นว่างานเนี่ยเพื่องานแล้วถ้าว่างานเพื่อเงินแล้วจะกระเดียดไปในทางหลมเงินระบูชาเงินจะเลยเป็นอุดมคติที่ว่ากรรมกรก็จะยื้อแย้งนายทุนก็ไม่เผื่อแผ่อะไรที่กรรม น, นี์ก็เกิดขึ้นที่ถ้าว่างานเพื่องานมันได้บุญด้วยเงินก็ได้ด้วย และนายทุนก็เผื่อแผและกรรมกรก็ตันโดดพอใจในการปฏิบัติธรรมของตัวคือการงานและไม่ยื้อแยง่งและละทัทธิอย่างลทัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกนี่มันั้นคําว่าทํางานเพื่องานกับทํางานเพื่อยอย่างอื่นนั้น่ะมันต่างกันอย่างตรงกันข้ามได้เป็นไปตามหลักของคําว่าทำมาคือหน้าที่แล้วหลักก็จะเกิดขึ้นว่าทํางานเพื่องาน ทำงานเพื่องานนั้นคือการปฏิบัติธรรมนั่นที่มาว่าขอร้องให้มีธรรมะแมากระทั่งในห้องน้ำในห้องส้วมนี้ก็คือให้สำนึกถึงหน้าที่ที่ว่าตัวเกิดมาทำไมจะต้องประพติ ป, ปฏิบัติอย่างไรจะต้องกระทำต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอย่างไรหรือไม่กดแต่ว่าจะทำงานเนี่ยทำเพื่ออะไร และแม้แต่งงานที่ต้องทําในห้องน้ําและห้องร่วมนั้นน่ะจะต้องทําให้ฝุดทองบริสุทธิ์สมบูรณ์เพื่อจะได้เป็นมนุษย์ที่ทําหน้าที่ของมนุษย์อย่างสมบูรณ์อย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้แต่ว่ามีธรรมะอยู่ทุกกระเบียดนิ้วที่เนื้อที่ตัวเดินไปไหนอยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวแม้กระทั่งในห้องน้ําหรือห้องร่วมก็ไม่ลื ม, มดวงกติว่ามนุษย์นี้เกิดมาทําไม ถ้าสิ่งดอยากจะขอฝากไว้อีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราจะเปลี่ยนพูดเสว่าทางานเพื่อ ง, งานงานเพื่อ ง, งานบรรดาลสุขนี่เราจะประหยัดเวลาพูดได้กค่สองสามวินาทีว่าไม่ต้องวนไปวนมาว่างานคือเงินเงินคืองานนี่บรรดาสุขนี่แลล ว, ว่างานเพื่อ ง, งานบรรดาลสุขแลเราก็ได้ผลเป็นความหมายที่เป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วประหยัดคาพูดได้สองประโยค นี่ประหยัดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งได้แยอะเหมือนกันนั่นจึงว่าระวังให้ดีถ้าว่าเราจะถูกโบสถกันด้วยมติสาคนว่าทํางานเพื่ออะไรในโลกนี้เอามาประชุมกันทั้งโลกแลว้วโบสถกันเป็นมติสาคนว่าทํางานเพื่ออะไรแล้วใครจะยกมือข้างไหนว่าทํางานเพื่องานหรือว่าทํางานเพื่ออะไรกันแน่ที่เราเตรียมตัวไว้ต่อไว้ไว้รับหน้าการโบสถ์ ของเจรยญธรมสากลบ้างอย่าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเภทประเภทประเท ศ, เท ศ, เทศพุทธบริษัทนี้ตั้งไใจรับการเยืนยันว่าไม่ถึงขนาดหรืออะไรทั้ง น, น, นั้นเลยในวา่าขอเอให้สนใจในคําว่าธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้คือการปฏิบัติหน้าที่หรือการทํางานที่บริสุทธิ์นั่นเองคือการปฏิบัติธรรมะแม้สุดแต่ว่าแกวเรือจ้างแม่สุดแต่ว่าถีบสมล้อ ก็ขอให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่านั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่คํานี้จะหลอกลวงหรือจะโฆษณาให้พระพุทธเจ้าหรือจะโฆษณาให้ใครก็ก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความจริงขอยืนยันว่าเป็นความจริงเออแล้วขอขอร้องว่าให้จะเอาไปคิดไปวิาพากษ์ไปวิจารณ์ไปอ ะ, อะไรให้ถึงที่สุดว่ามันจริงหรือไม่และถ้าเราถือดมคตินี้แล้วหัวใจใจเย็น เป็นสุกแม้กระทั่งกรรมกรหรือไม่จะเต็มไปได้บุญด้วยกุศลแห่ทั้งโลกหรือไม่ที่นี้ก็พุทธบริษัทเราอาตมาใช้คำว่าพุทธบริษัทเราขอใครขอขอภครด้วยถ้าว่ามีที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเราว่าถ้าพุทธบริษัทเรามาคำหนึง่ อ, อถึงข้อที่ว่าพุทธบริษัทนี้มีอะไรเป็น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 ท่านไม่ได้วังเงินเดือนที่ไหนท่านไม่ได้หวังคายกย่องสรรเสริญที่ไหนและท่านยังประนามไปตํำไปแต่ว่าท่านสํานึกอในหน้าที่ของท่านและท่านทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วพระอรหันตสาวก ข, ของพุทธเจ้าก็เหมือนกัน <c oughs> ทำงานด้วยอุดมกติอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าคือสำานึกในหน้าที่และท่านก็เลยเช่วยพวกเราได้ ที่นี้พวกเราเป็นพระสาวาเป็นสาวกของท่านเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะมีอุดมคติเหมือนท่านและเราก็จะได้มีอะไรที่เข้ารอยเข้าร่องเข้ารอยกันและที่สำคัญที่สุดนะ่ะเราจะได้มีสุขภาพในทางจิตที่ดีอาตมาอยากจะขอร้องให้ช่วยดูให้ละเอียดสักหน่อยว่า ถ้าคนเรามีความกระหายกระวนกระวายวิตกกังวลกระตับกระต่ายอยู่เสมอแล้วเราไม่เรียกว่ามีสุขภาพทางจิตที่ดีเราต้องอยู่ในจิตว่างไม่มีตัวเราที่เป็นความเห็นแก่ตัวเรามีแต่สติปัญญารู้ว่ามันควรจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรนี้เรียกว่าถ้าทํางานมันก็ทำโดยสติปัญญาสํานึกในหน้าที่เรียกว่าทํางานด้วยจิตที่ปราศจากความรู้สึกว่าตัวคู่ อย่างนี้สุขภาพทางจิตดีมีสุขภาพทางจิตดีกับมีสุขภาพทางจิตไม่ดีนี่มันมันเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองลองลองลอ ง, ลองเทียบเทียงกันดูให้ดีโรงพยาบาลทางจิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนขาดสุขภาพทางจิตถ้าเรามีสุขภาพทางจิตแล้วกันดีแล้วเราปิดโรงพยาบาลประเภทนั่นได้ ที่ขอให้คนึงถึงออส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทมีอุรมณติของพุทธบริษัทอย่างไรจะได้เข้าใจว่าเราจะประนามอุรมณติว่างานคือเงิ น, งนเงินคืองานในตองนั้นนั่นก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะทำความเข้าใจในขั้นแรกแต่เรายังจะต้องยอมรับด้วยว่าเราไม่ได้หมายความว่าอารมณตินั้นทำงานเพื่อเงิน เพงแต่บอกให้รู้ว่าเงินคืองานงานคือเงินเป็นสิ่งเดียวกันขอให้แปลความหมายให้ถูกต้องใช่ไหม่ว่าทํางานเพื่องานนั่นเอง <c oughs> อย่าได้ไปหลงผิดเป็นทํางานเพื่อเงินเขาแล้วจะเสื่อมสุขภาพทางจิตและจะต้องเพิ่มโรงพยาบาลประเภทนั้นและลําบากมากเ <c oughs> นี่ยมันมีผลต่างกันอย่างนี้ทีนี้ก็มีมาถึงว่าเราจะคิดดูให้ดีว่า ก่อนนี้ชาวนาเขาเป็นพุทธบริษัทมากกว่าเดี๋ยวนี้อชาวสวนกรรมกรในต่างต่างประชาชนพลเมืองประเทศไทยก็เป็นพุทธบริษัทมากกว่าเดี๋ยวนี้ทําไมจะมากล้าประนามกันอย่างนี้ก็เพราะมารู้สึกตัวใจจริงว่าคนคนคนยุค ก, ก่อนเขาเยือกเย็นกว่านี้ด้วยข้อที่ว่าทํางานเครื่องงาน เราเห็นชาวนาขุดดินร้องเพลงสวนเสฮ่ากันด้วยความพอใจในงานมากกว่าสมัยนี้แเมื่อก่อนในกระดูกด้านหลังของเราอ่ะยิ้มมากกว่าร้องไห้เดี๋ยวนี้ก็ะชักจะร้องไห้มากขึ้นหน้าดำทำเครียดได้มากขึ้นเพราะตงกติที่ว่าไปหลงวัตถุนิยมอย่างวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่เป็นของต่างประเทศนั่นแนหะมากขึ้นลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์เหมือนแต่การก่อนที่ว่าทําความดีคือทําหน้าที่เมื่อกระดูกกันหลังของเราจักจะเติมสุขภาพทางจิตอย่างเนี้คือพวกชาวนาซึ่งมีมากที่สุดนี่มันก็เกิดความกระสาาับกระสายขึ้นในประเทศชาติของเราสะรู้ว่ามิวดมคติอย่างนี้มันนําไปสู่ผลอย่างนี้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 ให้จะไม่เลื่อนกับตามใจแล้วว่าให้จะสนใจหรือไม่สนใจกับทำแม้ว่าคนอื่นจะไม่สนใจกับทำกับกับพระธรรมนี่เราจะจะสนใจแต่เราจะยึดเอาพระธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างเดียวและเป็นของสูงสุดอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่พึ่งเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพธรรมที่ท่านประกาศเองท่านยืนยันเองว่าท่านเคารพธรรม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 เราทำอย่างนั้นจนตลอดชีวิตแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่เอาด้วยเพราะว่าเราไม่มีอะไรอื่นที่ดีกว่านี้ที่ควรทำเราจะต้องอยู่กับพระธรรมเสมอไปนั่นเราจึงทำเนื้อทำตัวเป็นพระธรรมเหมือนเครื่องจกักรที่ว่ากลั่นกรองรัตตมีของพระธรรมออกมาเรื่อยไม่มีหยุด มันจะเป็นประโยชน์แก่ใครหรือไม่ก็ตามใจเขาเถอะเขาจะเอาหรือไม่เอาด้วยก็ตามใจก็เถอะแต่เราจะตั้งยึดมั่นในอุดมณ์คติของรำรอย่างนี้เสมอไปธรรมะคือการทําำคือธรรมะคือหน้าที่การปฏิบัติธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ก็เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่เพราะว่านี่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นจิตที่ว่างจากความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนแล้วเนี่ประเด็นที่หนึ่งต้องการบรรยายในวันนี้ว่างานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ต้องสแสวงหาที่อื่นที่วัดก็ต้องทำงานการถือถือศีลให้ทานทำสมาธิทิปัจจนาก็คือการทำงาน แต่ว่าการทรําร่ทํานาค่าขายอยู่ที่บ้านที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยการไม่ให้มีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าเห็นแก่เงินวเห็นแก่วัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมและนั่นก็คือการทํางานท่นมันมีความหมายเหมือนกันหมดว่าจงทํางานตรงที่เพื่องานเพื่อไม่มีตัวกูเพื่อไม่มีของกูและก็กลายเป็นธรรมะเสมอกันทั้งที่วิปัสส์ทั้งที่ไปนั่งวิปัสสนาอยู่ตามถ้ำ ต, ตามเขา และที่กำลังเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขุดดินทำไร่ยอยู่ที่บ้านคอยมีอยู่เป็นอยู่ทำอยู่ด้จิตใจที่ว่างจากตัวกูไม่หวังวัตถุไม่หวังอะไรได้วยการทางานเพื่องานทางานคือการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยเป็นประเด็นที่หนึ่งที่เรามาขอข อ, ขอร้องขอวิงวอนให้รับไปปินิษฐจารณาและวิพากวิจาร ทันมีข้อเคลือบแคลงอย่างไรบ้างขอได้ช่วยกันรักตายก็ เ, เจนท่านอาจารย์คริสหรือหรือหรือไ อ, อ, อ, อช่วยทำความกระจ่างให้ถึงที่สุดในข้อนี้ด้วยพระคุณเจ้าที่เคารพพระคุณเจ้าใช้เวลายูดยาวฝุ่กล้าก็เข้าใจดีมากแต่รู้สึกว่านั่นเป็นข้อธรรมะทั้นสูงของพระธะ หรือของบัรดุิดเทศที่พระคุณเจ้าพูดว่าทุกวันนี้เราขาดความสนใจธรรมะสะว่างคนนั้นต้องให้ธรรมะก่อนอาหารผมก็รู้สึกว่าก่อนอ่านจะนำบพัพเพราะให้ว่างคนเราไม่มีความผิวแล้วธรรมะไม่เกิดศีลธรรมไม่เกิดความรับรู้ผิดชอบก็ไม่มีแม้แต่พระบรมศาสดาเราเองก็ต้องหันมาบริโภคอาหารธรรมะ อ, อันบริสุทธิ์ทน่เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านและที่ว่าหน้าที่คือธรรมะนั้นถูกต้องแล้วครับต่ผมไม่สงสัยแต่ว่าหน้าที่ปฏิบัติธรรมทุกอย่างที่ทุกคุณเจ้าวิสัชนามาแต่ผมเข้าใจว่าเหมาะสําหรับบัณชิตเพราะทุกวันนี้แต่ละคนก็ทําหน้าที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่บัณฑิตเองก็พยายามที่จะเป็นนักการเมืองชาวนาพยายามที่เป็นผู้อะไรกาจังหวัด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 และค่อยคําที่ว่างานคือเงินเงินคืองานมาดานสุขนั้นกระผมก็เข้าใจว่าเป็นคําที่ถูกต้องในสมัยนี้เพราะถ้าทุกคนไม่ทํางานแล้วชไหนจะได้เงินมาเลี้ยงชีพนี่เป็นทาการเข้าใจอย่างธรรมดาของคชาววัดดสิตและของผู้ที่คล่องอยู่ในโลกไม่ใช่อย่างบัณชิตเพราะบัณชิตนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างชาววัดกระผมอยากขอบคุณเจ้าวิสาชนาโดยพังฝังว่าคำชะไหนจึงจะแนะนําให้แต่ระบุคคล แม้แต่ที่นั่งอยู่ภายในห้องโถงแห่งนี้ได้รู้จักหน้าที่ปฏิบัติธรรมของตนเพื่อหน้าที่ที่ว่าเหมาะแก่ฐานะทุกคนไม่แก่งอย่างหน้าที่ทุกคนไม่มุ่งไปทํางานแห่งเดียวกันอันนี้นะครับเป็นความประสมที่เราจะต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกคนทํางานปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเป็นปรมัตา์เกินไปครับแตผมอยากใช้คาที่สลใสสวยและชัดเจนเพื่อทุกพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้จะได้ทราบซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับผม อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยถูกถามมากที่สุดเหมือนกันว่าถ้าหิวก็จะปฏิบัติธรรมะไม่ได้จะสนใจในธรรมะไม่ได้แม้กระทั่งเมื่อต้องทาวันนี้ก็มีพูดกันถึงเรื่องนี้แต่จะมาเห็นว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากเราไม่ตายก่อนเสียจะก่อนแต่ที่จะ ทำ ค, ความเข้าใจกันในข้อธรรมะเพื่อให้เป็นผู้ที่ถ้าหิวก็หิวด้วยความหิวที่ประกอบด้วยธรรมะดีกว่าหือว่าถ้าหิวก็ขอให้หิวด้วยความหิวที่ประกอบด้วยธรรมะถ้า ต, ต้องต้องสอนให้เขารู้จักหิวถ้าไม่งั้นแล้วจะตกเป็นเหยื่อของวัตถุ น้าทั่มพี่ของชาวคิทมีว่าพระเยซูถูกตาตานทดลองว่าให้เศกก้อนหินเหล่านี้ที่มีเยอะแยะให้เป็นขนมปังจึงจะยอมรับว่าเป็ น, เ ป, นเป็นลูกพระเจ้าพระเยซูตอบว่าคนเราไม่ได้เป็นคนอยู่ได้เพราะขนมปัง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 ประมหรือว่าวัตถุนิยมนี่อย่างยิ่งโดยไม่ถือว่าแม้จะมีอาหารกินและมีชีวิตยอยู่นี่คือความเป็นคนถ้าว่าไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของพระเป็นเจ้าแล้วไม่มีความเป็นคนแล้วย่อมไม่มีความเป็นคนนั่นไม่สนใจที่จะมาม า, มาสร้างขนมปังสนใจแต่ว่าพระบิดาได้สั่งว่าอย่างไรจะลงมือทาทันทีแต่เดี๋ยวนี้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 ไม่นอนร อ, อความช่วยเหลือของผู้อื่นหรือว่าไม่ทำตนให้เป็นภาระของผู้อื่นเนี่ยความหมายที่ถูกต้องมันมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ใช่มุ่งหมายว่าให้หยุดการทำาร้าทำนาหรือว่าการให้อาหารกันเสียแล้วไปฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่มีวารจำเป็นที่ว่าจะต้องฟังเทศทั้งวันทั้งคืนอาจจะใช้เวลานิดเดียวก็ได้ แล้วเข้าใจแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องไปที่วัดอีกก็ได้คือมีธรรมะได้ได้ได้โ ด, ดยลักษณะอย่างนั้นเราช่วยให้เพื่อนมนุษย์ไทยชาวไทยของเราเนี่ยรู้จักว่าการได้บุญที่สุดนั้นอยู่ที่การทำหน้าที่แล้วเขาก็ขยันทำหน้าที่แล้วเขาจะอดได้อย่างไรจะอดตายได้อย่างไรที่นี่แม้ว่า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 และการทำหน้าที่นั่นดีที่สุดเพื่อเป็นความดีสูงสุดของมนุษย์ที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เนี่ยมันก็พ้นไปเ อ, อจากวิกธีการอันนี้และที่ว่าทำงานเพื่องานนั้นอา จ, จะมายืนยันแล้วยืนยันอีกว่าได้เงินด้วยได้บุญด้วยไม่เสื่อมสุขภาพทางจิตด้วยเนี่ยขอให้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 ที่พอเหมาะแก่ขั้นแก่ตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคือภูมิคือจั้นสมสรรถภาพของเขาแล้วก็ทุกระดับทุกขั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเสมอกันหมดก็ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ขัดต่อการที่ว่าเขาจะไม่มีเงินใช้เขาจะมีเงินใช้ด้วยเขาจะได้บุญด้วยคือมีจิตใจดีด้วยไม่เสื่อมสุขภาพทางจิตด้วย อาจมาต้องขอตอบเนี่ยเพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาเสแล้วยังเหลือสองหัวข้อไม่ได้บรรยายต้องขออภยัยที่ว่าทํางานได้จิตว่างเรื่องหมดธรรมที่จะใช้ในการทํางานได้จิตว่างอย่างไรเนี่ยเวลาหมดเออย่างพอดีแล้วขอขอท่านอาจารย์คริสสรุปข้อความเหล่านี้ก็ครับถ้ามีเวลากระผมก็อยากจะขอประธานสรุป คือพกัมพมรู้สึกจับใจมากในการที่พระเดชพระคุณได้บรรยายมาแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายข้อที่เคยสงสัยก็หมดสิ้นสงสัยไปที่กัมพม์รู้สึ ก, กประทับใจแล้วก็เป็นการที่ได้รับความแจ่มแจ้งเป็นอย่างยิ่งก็คื อ, อ, อมาตรฐานของความดีในศาสนาพุทธอะไรเป็นใครที่เล่นอะไรเป็นสัมม um ันบรมจเป็นความดีที่สูงสุด ผมเคยนึกอยู่เสมอแล้วก็เห็นจริงอย่างที่ท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลและสิ่งที่เป็นอัพยากฤะนั้นคือในที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจมนุษย์สิ่งไร่ที่ดีที่ชอบก็เรียกว่าเป็นกุศลสิ่งไร่ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบก็เรียกว่าเป็นอกุศลสิ่งไร่ที่ยังไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นอัพยกฤะไปก่อนต่อไปอาจจะไปรู้เข้าเกิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องการหาสิ่งที่จะวัดว่าอะไรเป็นความดีจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเระยุ่งอยากอยู่เสมอกระผมเองเอเพิ่งได้มาทราบในวันนี้แล้วก็ได้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในที่พระเทพระคุณได้แสดงมาว่าในศาสนาพุทธเรานั้นเอสิ่งที่เป็นความดีสูงสุดที่พุทธบริษัทพึงจะกระทําคือกระทําตามหน้าที่อนี่สําหรับในทางทั่วไป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 และถ้าหากว่าความรู้เช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วพระนิพพานย่อมแจงนี่เป็นสิ่งที่ผมสามารถจะสรุปได้จากที่พระเดชพระคุณได้กรุณาบรรยายมาในเวลาอัานอ่นสั้นส่วนเรื่องอจะทำงานเพื่อเงินหรือเพื่องานเพื่อนาทีนั้นแต่ผมไม่เห็นมีมีความกว้างามีความเห็นกว้างขวางอีกมากคือขอรับตรงๆซะก่อนว่าไม่เห็นด้วยกับสุภาษิตหรือไม่เห็นด้วยกับภาษิที่ว่างานคือเงิ น, งนเงินคืองานบันดาลสุ ประกาศให้ทราบตัเลยในที่นี้ก็คือว่าไม่จำเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นบนรรพชิตหรือเป็นคราวัตคือถ้าหากว่าถือว่างานคือเงินแล้วอาจจะใช้หน้าที่การงานเพื่อหาเงินในทางที่ผิดก็ได้หรือทํางานเพื่อเงินแล้วอาจจะไม่ได้เงินพอเกิดทุกข์ก็ได้หรือถ้าหากว่าถือ ก, กันกรงโกรงว่างานคือเงินแล้วอาจจะเที่ยวหาหน้าที่หลายตําแหน่งแห่งผลแล้วเลยทําไม่ถูกสักหน้าที่หนึ่งก็ได้ เป็นเรื่องผิดทั้งนั้นเออนี่ก็เป็นที่กระผมสรุปได้แล้วก็เรื่องอื่นก็มีข้อจะสรุปอีกมากแล้วว่าอยากจะขอสรุปไปแค่นี้เพราะเวลาหมดลงแล้วขอขอประเดศคุณน้ามาเขาเคลียร์การลาท่านผู้ฟังไปขึ้นรถไฟกลับเดินที่